b o ๊กทูเจ็ดสิบหก e t เหตุผลบางประการสอง The reason w t ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ Vorför kom du inte? ดิฉันไม่สบายค่ะ ยา g, g ay, <S jeg kom fordi jeg var s i k ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะยา k คงไม k เ e f เ r d i j ด g var sick ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะว k าร์ฟอร์คอมห์ฮุเธอเหนื่อยค่ะฮุนว่ t ทรัดเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะว่ารู้ก่อนเข้ามันไม่เข้าไม่มีอารมณ์ค่ะเขาไม่มีอารมณ์จค่ะเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะเขาไม่เข k าเพราะที h เ n าไ k ่เคยมีล ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ kom รถของเราเสียคะ่ะเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียคะ่ะทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ พวกเขาพลาดรถไฟค่ะดิรักกิเกทัวเกะพวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะด e ค o มไม่ก็เพราะดิดิไม่รักทัวเกะทำไมคุณถึงไม่มาคะวุ่นฟ r ดิดิฉันไม่ได้รับอนุญาตยา f i ik ึ k i ล ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตฉันไม่มาเพราะฉันไม่ได้ก